สายใยระหว่างกายเนื้อกับๆ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 ทั้งสองคนนี้เกิดอยู่คนละแห่งแต่ข้อความที่กล่าวไว้ในหนังสือตรงกันคนนี้เกิดเช่นหนังสือ 40 Years a Medium ของ Estelle Robert ซึ่งเป็น แต่ถึงกระนั้นข้อความที่กล่าวถึง ตามในเวลาที่คนเราจะตายในหนังสือหลายเล่มกล่าวว่า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 จะถูกยิงด้วยปืนถูกที่สําคัญแล้วตายมัก แต่เพราะท่านบอกว่าง่ายไม่ใช้เป็นเส้นได้เรื่องการใช้ภาษา มัจจเทมเปด้วยเรื่องบุคคลาธิฐานมเหศเช่นใน การที่คนเราเส้นชีวิตลงก็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 หรือหรือคือกรรมใด 2 อันที่ในปรัชญาโยคะหรือในหนังสือบาง เรื่องนี้ถ้าจะอธิบายกันด้วยๆซึ่งเป็นการ เป็นตัวสังขารซึ่งแปลเช่นสร้างกายเนื้อได้หลายแบบ ซึ่งผู้ที่เข้าใจอย่างนี้ก็มักจะเข้าใจต่อไปอีกว่าวิญญาณได้ถูกแบ่งออกมาที่เข้าใจอย่างนี้ใจ นั่นไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง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 โดยเฉพาะคือยังมีความรักต้องต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปมองและเหนียวนั่นมากเห็นว่า จุติแล้วต้องปฏิสนธิอีกคือๆคือ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากมี มันกล่าวคือทําหน้าที่ของมันตลอดเวลากล่าวคือสร้าง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 ก็อย่างน้อยก็ต้องแสวงหา ก็ควรจะต้องจําให้แม่นเช่น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 เขาที่อธิบายมานี่ท่านได้หมดเรียวแรงลงหนักใจแทน Yeah. Πελάβω, όγκα, για το λοκαι long,